วันนี้เป็นวันพวกเราได้มาพบมาเจอกันการอบรมที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในสำนักของผมแห่งนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการได้ยินได้ฟังเพราะพวกเรามองเห็นแล้วว่า การเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์แต่และสำนักมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรสำหรับตัวของเราเพราะนั้นเราจึงเข้าไปศึกษาและจากนั้นก็ได้ข อ, อนิสัยตามพระวินยัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขอเมอกี้นี้เมื่อครูบาอาจารย์ได้รับว่านี่คือเสร็จหรือว่าผู้เข้ามาศึกษาก็ต้องการกรองหาความรู้วิ ช, ชา ที่ตัวเองได้เรียนมาได้ศึกษามาได้ปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ตามลำดับเป็นขั้นตอนไปแต่เรื่องศีลนั้นท่านจะพูดแนวแถวปฏิบัติทำตัวอย่างไรแต่ท่านไม่ให้มองข้ามเรื่องศีลถ้าว่าพระไม่มีศีลแล้วเหมือนกับผ้าทะลุผ้าขาดไม่มีผ้าจะเลยเป็นยังไงคนไม่มีศีลเหมือนไม่มีผ้านุ่งหม่มเป็นยังไง แต่ถ้าว่าคนมีศีลคือมีผ้านุ่งหม่มปิดกายสวยงามเนี่ยพระไม่มีศีลก็เช่นเดียวกันเหมือนกับพระไม่มีผ้านุ่งหม่มเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องศีลคืออาภรณ์คือเป็นเครื่องปกปิดร่างกายให้ตัวเองให้คู่คนทั้งหลายให้ดูแล้วจเจริญตาจเจริญใจแต่ถ้าหาว่า พระไม่มีผ้านุ่งแล้วเดินไปที่ไหนเขาว่าอย่างไงอใน น, นตนละเรื่องศีลจำเป็นสำคัญถึงขนาดนั้นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจึงแนะนำสั่งสอนว่าให้เคารพศีลให้เทิดทูนบูชาอันนั้นคือพระธรรมคำสั่งสอนคือกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แล้วพวกเราควรจะครเคารพเทิดทูนบูชาอย่างยิ่งไม่ควรข้ามกลายและไม่ควรประมาท ว่าเป็นของเล็กน้อยถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็จริงเหมือนกับไฟเป็นของเล็กน้อยมันก็ร้อนน้อยถ้ามันมากมันก็ร้อนมากแต่ถึงยังไงก็เถอะถึงจะไฟเล็กน้อยก็เป็นสน่วนทําให้ไฟนั้นไหม้ใหญ่ได้เพราะมันมีเชื้ออันนี้ก็เหมือนการความชั่วเล็กๆน้อยๆอยเออเราไม่ได้ดับเราไม่ได้สนใจที่จะดับหมอดมัน ถือว่าเป็นไฟเล็กน้อยต่อไปไฟเหล่านั้นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสไฟเหล่านั้นมันจะใหญ่ขึ้นมาโดยลําดับความชั่วของในใจกายวาจาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพวกเราปล่อยปาละเลยไม่ได้สนใจความชั่วคือไฟดวงนั้นไฟอันเล็กน้อยนั้นมันจะลุกลามใหญ่ขึ้นมาได้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้มองข้ามว่าความชั่ว ถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็คือความชั่วความดีก็ตรงตรงกันข้ามกันถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็คือความดีถึงจะทำเล็กเ็กน้อยน้รักษาศีลหนังภาวนาชั่วคู่ช่วขณะประกอบคุณงามความดีอะไรก็ตามเป็นของเล็กน้อยอันนั้นก็คือความดีความดีคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ความชั่วนั้นคือความทุกข์ร้อน สารบนวุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายคือความชั่วผลสุด ค, คือความทุกข์เป็นผลแห่งความชั่วนั้นเพราะนั้นเรื่องศีลครูบาาจารย์ท่านเน้นหนักสรุปแล้วสรุปลงง่ายๆว่าท่านให้เน้นหนักให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามด้วยแต่ในเรื่องสมาธิท่านก็เน้นหนักสอนวิธีการปฏิบัติ ทำตนอย่างไรตลอดถึงขั้นด้านปัญญาปัญญาพิจารณาอะไรในหลักของพุท ธ, ธคําว่าปัญญาของพระพุทธศาสนาปัญญาของพระพุทธเจ้าอริยปัญญาปัญญาของพระอริยเจ้านั้นคืออะไรปัญญาของทางโลกนั้นคืออะไรปัญญาของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ทิฏฐิฉานไม่ว่ามนุษย์ชาติชั้นวรรณะไหนชาติไหน ก็ได้ใช้ปัญญาทาั้งนั้นแหละแต่ว่าปัญญากรรนี้เนะี่ยคือปัญญาอะไรปัญญาที่จะยังชีพหรือปัญญาที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมันมีปัญญาทั้งนั้นแหละแต่ปัญญาของพุทธะมรรคที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้มรรคะนี่สินสมาธิปัญญาปัญญาอะไร อันนี้ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าคือปัญญาถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราให้บทจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ท่านแนะนําเรื่องศีลสมาธิปัญญาตอนนี้การแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าไปแล้ว ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าพระกรรมฐานสายขององค์หลวงปู่มันท่านจะไม่สอนแบบพุ่ำเพื่อเรื้อรังจะไม่สอนทุกวีทุกวันแลว่วสอนเป็นแนวแถวภาคปฏิบัติพอเป็นรู้แนวแถวแล้วก็ให้องนั้นไปศึกษาแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจากนั้นก็มีความค่องใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรก็นำมากราบเรียนท่านถ้าจะเปรียบเทียบกับการศึกษาทางโลก ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิดคือมหาวิทยาลัยปิดครูบาอาจารย์จะต้องสอนทุกวันวันนี้จะให้ลูกศิษย์ศึกษาเรื่องอะไรก็เข้าไปสอนอธิบายให้ฟังทุกวันแล้วก็มีการตรวจสอบทําความเข้าใจแต่ถ้าหากว่ายังครูบาอาจารย์สายองค์หลวงปูมั่นเนี่ยท่านจะสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิดอย่างที่ผมว่า การแนะนําสั่งสอนท่านจะแนะนําอย่างนี้นะเดินจงกรมทําอย่างนี้นะนั่งสมาธิทําอย่างนี้นะและกับริกรรมอย่างนี้นะทําจิตให้เป็นอย่างนี้นะอา้าวไปนําไปไปภาวนาถ้าเป็นยังไงไปปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรจิตใจเป็นยังไงเดือดร้อนวุ่นวายยังไงสงบพร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรถ้ามีปัญหา กลับเข้ามามาถามท่านอีกท่านก็จะให้คำแนะนำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้คือแนวแถวลรวาสายของครูบาอาจารย์หวงปู่มัน่นท่านจะไม่ได้สอนแบบเข้าคอร์สเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นหมู่เป็นคณะท่านจะให้อยู่ตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เมื่อได้ศึกษาปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์แล้วจากนั้นออกไปภาวนาทดสอบด้วยตนเองอยู่ในป่ารงพงไพรเป็นยังไงใจของเรามันคิดยังไงขณะไปอยู่องค์เดียวในปา่าไกลมันคิดยังไงใจมันปรุงฟุ้งซ่านอย่างไรเมื่อห่างจากครูบาอาจารย์ห่างจากกู่จากคนจากสิ่งแวดล้อมที่เราเคยอยู่ใจของเราเป็นอย่างไร อันนี้คือเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละองค์เป็นผู้ศึกษาและก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราไม่ใช่เราจะอยู่กับครูบาอาจารย์ตัวฟ้าดินสลายแต่ถ้าว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็นำประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อออกจากครูบาอาจารย์แล้วก็นำทาคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนดีแล้วนั้น ไปปรับปรุงแก้ไขไกายวาจาใจของเราพยายามสู้กับใจของเราพยายามสู้กับความประพฤติของเราพยายามสู้กับความอยากจะพูดของเราคือให้อยู่ในกรอบอยู่ตลอดอันนั้นแปลว่าผู้มาศึกษาได้ผลนําไปประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่าน ควรจะศึกษาให้เขาอกเข้าใจอย่างที่ผมได้กล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายทําอย่างนั้นได้แล้วถึงจะไปอยู่ในระดับไหนเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปนถะิ่นใดมันจะออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากใจใจของเราเป็นใหญ่ใจของเราเป็นหัวหน้า ถ้าว่าใจของเราอบรมดีแล้วใจของเราคิดดีแล้วใจของเราได้รับการซักฟอกดีแล้วการกระทํามันก็ดีไปได้ อ, อ, อันนี้แหละเรื่องผมพูดมาอันนี้เลยว่าจัดว่าเป็นหมวดของศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษแต่เรื่องสมาธิการรักษาจิตใจ การทำสมาธิในหลักแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นโดยมากท่านจะแนะนำให้ภาวนาบริกรรมพุทโธพร้อมกับปลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของครูบาอาจารย์สายนี้ที่ว่าเป็นหลักแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะเอาพระไตรปิฎกมาเปรียบเทียบกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้กรรมฐาน40บ อันนี้เพียงพอประมาณแต่ว่าท่านผู้ใดปฏิบัติซิกแซกออกไปเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะด้วยประเภทอะไรก็ตามจะเห็นด้วยอะไรก็ตามเห็นในไตร ล, ลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นแปลว่าท่านนั้นก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์แต่ละสายแต่ละแห่งการแนะนําสั่งสอนนั้นแปลกแตกต่างกันในยุคสมัยนี้ไม่ว่ายุคสมัยไหนในพระไตรปิฎกกระยางที่ผมพูดให้ฟังกรรมฐาน40จะยึดแนวแถวกรรมฐานไหนก็ไม่ขัดข้องก็พร้อมที่จะนํามาประพฤติป ฏ, ปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราได้ถ้าเราถูกกับจริตหรือกรรมฐานไหน พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านแนะนําสั่งสอนพวกอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสีของพระองค์อย่างไรพระองค์เป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราอย่างไรที่ท่านแนะนําสั่งสอนเมื่อท่านสั่งสอนแล้วพระพุทธเจ้าได้อะไรจากเราอันนี้เราระลึกถึงพระคุณของท่านพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ มีพระคุณเตรียมล้นไปด้วยพระเมตตาประธานพระธรรมคําสั่งสอนออกมาแล้วพวกเรานำมาคิดนำมาพิจารณานำมาไข่กลวนไต่ตรองตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้แล้วล้วนแล้วจะเป็นหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องศีลไม่ว่าเรื่องสมาธิไม่ว่าเรื่องปัญญาการกระทําทางกายวาจาที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ศีลของพระ สมาธออิในการประพฤติปฏิบัติถ้าว่าจิตใจของเราปุงฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจคิดไปออกนอกลกูนอกทางแล้วคนประเภทนั้นจะเป็นอย่างไรพูดได้เลยว่าเป็นบ้าลูกเดียวแต่ถ้าว่าจิตใจอยู่ในสมาธิอยู่ตลอดจิตใจมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดไม่เป็นบ้าแน่นอน อันนี้ถ้านเรามาพิจารณาดูแล้วพระธรรมคาสั่งสอนเรื่องสมาธิของพระพุทธเจ้านะี่มีคุณค่าไหมเนี่ยไม่ต้องถามถ้าหลักเหตุผลแล้วไม่ต้องถามรู้แก่ใจของใครของเราใจฟุง้งซ่านกก่ใจอยู่กับตัวเองแล้วไม่ต้องถามเนีเพราะทุกคนก็เคยสัมผัสม า, ถ, มาถ้าประจบหรือว่าไปพบเรื่องเราอะไรก็ตามการที่คิดปรุงฟุ้งซ่านนั้นเป็นอย่างไรนอนไม่หลับเอแปลว่าจุ่งเยิงวุ่นวาย ทกที่สุดถ้ามันมีเรื่องแต่ถ้าว่าจิตใจสงบนั้นจิตใจเป็นหนึ่งสติอยู่กับตัวเองนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบเป็นขั้นตอนจนถึงระงับจิตใจอยู่เป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์เป็นสองถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบถึงขนาดนั้นแล้วพระพุทธเจ้ารับรองว่านัตติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่นี้พวกเราได้เคยพบเคยเจอไม่ความสุขประเภทที่ว่านัตติสันติปรังสุขขังนีอ้อ่อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือสมาธิมีคุณค่าอย่างไรสําหรับตัวของเราแต่ถ้าหามว่าพวกเราฝึกสมาธิดีแล้วจิตใจไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่สานจิตใจสงบเป็นหนึ่ง เมื่อเราจะนำมาพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าใจของเราแน่วแน่มั่นคงไม่ปุุงฟุง้งซ่านไม่กระซับกระสายเพราะนั้นการพิจารณาในหลักของพุทธะเนี่ยท่านให้พิจารณาอะไรพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงกรรมาฐานห้า อย่างพวกเราท่านทั้งหลายบวชเข้ามาพระอุปัชฌาย์ให้กรรมาฐานหาการบวชเข้ามาทีแรกท่านก็นให้เลยกรรมาฐานหาเกษาโลมานขาทันตาตะโจเกษาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังมันอยู่ที่ไหนกรรมาฐานห้าเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบแต่ถ้าว่าคนถลกหนังออกหมดแล้วเป็นอย่างไร อันนี้คือพระพุทธเจ้าให้พิจารณาไม่ให้หลงไม่ให้หลงหนังไม่ให้หลงร่างกายถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนออกแล้วอันไหนคือกายอันนี้ก็คือให้พิจารณาความตายพิจารณาอสุภะให้พิจารณากรรมฐานห้าที่การพิจารณาความตายนั้นพิจารณาอย่างไรแต่บางคนเกิดมาแล้ว ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่เคยเห็นคนอื่นตายด้วยคขวา่าตายนั้นคืออะไรยังไม่เคยพบเคยเจอเพราะนั้นอยู่ในธรร ม, มบทระหว่าธรรมปรทัตทักถาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนนางโคตมีนางกีสาโคตมีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันคนเราเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตายก็ไม่รู้เลยว่าตายนั้นคืออะไรมันก็แปลกเหมือนกันนะ ออมันแปลกไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นเป็นไปได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายผมก็คิดว่าถึงเห็นคนอื่นตายก็เถอะก็ไม่เคยคิดจะน้อมนึกมาหาว่าตัวเองจะตายอันนี้ผมว่ามีมากต่อมากจนถึงเข้ามาเมื่อไหร่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลนั่นะจิตใจจึงรู้สึกจิตใจตกอย่างมากกลัวตายแต่ยังไม่ถึงเข้ามาหาตัวเองนั้น โดยมากจะไม่ค่อยคิดกันแต่ในหลักของพระพุทธเจ้าที่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าให้พิจารณาไว้อยู่เสมอมรณงเมภาวิสติตัวเนี้ให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าข้าจะต้องตายไม่วันใดก็ต้องต้องวันหนึ่งเพราะนั้นข้าอย่าประมาทข้าจะต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเราเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราเกิด แต่เราเห็นคนอื่นเขาเกิดมาเป็นตัวเด็กแดงขึ้นมาเรารู้ว่าเกิดมานั้นเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ 2-3 ปี4ปีปี10ปี20ปีเป็นอย่างไรเราพอจะรู้ได้ว่าวิธีการเกิดนั้นเป็นอย่างไรวิธีการแก่เราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้คิดก็ว่าความแก่นั้นคืออะไรเราก็ไม่ได้คิดถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนหรือไม่ได้ยินคา ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้เนี่ยพวกเราก็คงจะไม่ได้คิดยิ่งเข้าว่าคิดไปก็ยิ่งประดับตกแต่งดีอกดีใจอีกต่างหากว่าตัวเองมีอายุเท่านั้นมีอายุเท่านี้แต่ตามไม่จริงการที่มีอายุยืนยาวมีอายุนานเกิดมานานความแก่ตัวนี้ลากจูงดึงเข็นไปข้างหน้าเขาว่าแก่แก่ไปแก่ไปข้างหน้าลากไปข้างหน้า ชักจูงไปข้างหน้าทางภาษาอีสานเขาว่าแก่ไปลากไปเนี่เข้าใจได้ง่ายเลยเขาแก่ไปอะไรแก่ไปเรื่อยๆถึงตัวเองจะนอนหลับถึงตัวเองจะสนุกสนานถึงตัวเองจะกินอาหารอริ่อร่อยถึงจะเองสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเรืองเฮหาดูหนังดูละครอยู่กับหมูกับเพื่อนอยู่เชี่ยววินาทีหนึ่งเรื้ยวนาทีหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งความแก่นั่นจะลากไป เ, เรื่อยๆลากไปหน้าเรื่อยๆลากไปลากไปเออตัวเองก็นั่งอยู่ในล้อในเกวียนในความแก่นั่นกถ้าคนไม่ได้คิดก็หัวเราะเลยดีอกดีใจว่าข้าอายุแก่แก่เล้าเท่านั้นแก่แล้วเท่านี้นเพอเอยังกินเลี้ยงกันอีกสนุกสนานกันอีกหาสิ่งที่มายั่วยุเข้ามาอีกทั้งเราสุราอะไรสนุกสนาน เข้ามาอีกเลี้ยงชรลองวันเกิดแต่ตาไม่จริงมันแก่ไปแล้วไม่แก่ไม่รู้เท่าไหร่มันลากไปแก่ไปหัวเราะไปแก่ไปหาอะไรแก่ไปหาผมหงอกถ้าคนเด็กหนุ่มไม่ค่อยมีผมหงอกถ้าแก่แก่ไปเกิดมาหลายปีผมก็งอกละ่ะอแก่ไปหาผมขาวผมหงอกแก่ไปหาตาฝ้าฟางถ้าเป็นเด็กผมมีอยู่บ้างแต่คนแก่เนี่ต้องฝ้าฟางกันทั้งนั้น แกไปหาตาฝ้าฟางแก่ไปหาหูตึงแก่ไปหาหูหนวกแกไปหาหนังเหี่ยวแก่ไปหาฟันหลุดแก่ไปหาหลังค่อมนั่นแหละคือความแก่มันแก่ไปอย่างงั้นแต่พวกเราไม่รู้ถ้าไม่ตายง่ายมันก็แกไปเรื่อยๆจะต้องเห็นแน่นอนถ้าคนแก่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือความแก่แต่พวกเราไม่ได้สนใจพอความแก่ไปร่ หัวล่อแห่ๆไปเลยจนถึงนู่นแหละจนปั่มๆเปอร์ๆเบอร์ๆใบใบไปไม่รู้จักอะไรก็เลยไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าความแก่นั้นคืออะไรตามไม่จริงมันแก่มาแต่เด็กอพอแก่ไปแก่ไปถึงจุดจบแห่งหนึ่งแล้วก่อนนั่นแหะไม่รู้จะแก่ไปทางไหนพญาทหารพยามัจจุราชนะ่ไปเห็นหน้าผาแ ล, ล้วก็เก่งลงหน้าผาจบไปชาติหนึ่งอันนั้นแปลว่าตาย พอตายขึ้นมาแล้ววิญญาณใจดวงนั้นมันยังไม่หมดกิเลสยังมีเชื้ออยู่กิเลสราคะโทสะโมหะยังอยู่ในนั่นอยู่หมุนเวียนกลับมาเกิดอีกพอมาเกิดขึ้นมากลุ่มหลงอีกเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็แก่ไปอีกอย่างเก่าไปไปถึงเหี่ยวมันก็กิ้งห้องเหี่ยวอีกกลับมาอีกอันนี้เรียกว่าวัตวบุการเวียนไหวตายเกิดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนหน้าเบื่อหน่ายไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ความแก่นั้นมาเห็นอย่างพวกเราเห็นความแก่เป็นยังไงความเจ็บพวกเราเห็นเป็นยังไงความตายพวกเราเห็นเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามแนวแถวของพระพุทธเจา้าตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์ท่านเอาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจําแนกแจกให้พวกเราได้ยินได้ฟังอันนี้คือความแก่ส่วนความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นพวกเราก็เห็นเป็นยังไง มันทุกข์ไหมเวลาเก็บไข้ได้ป่วยทุรนทุลายเพอ้อไปหมดเพราะว่าเวทนามันกล้ามีมากหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่มาบวชในครั้งนี้ปี2549เนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเราได้พบได้เห็นจนชินชาไปหมดแต่ถึงยังไงก็เถอะถ้าหาว่าไม่ได้ใช้ปัญญาการเห็นนั่นก็เพียงแต่เห็นด้วยสัญญา เห็นด้วยสัญญาด้วยสังขารไม่ได้เห็นด้วยปัญญาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะถ้าเห็นตามแนวแถวของพพุทธเจ้าแล้วท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยมีแต่จะหาทางหลีกลีหนีออกหนทางยังไงจึงจะทําให้จิตใจของเราไม่มาเวียนว่ายตายเกิดออไม่ให้ความแก่ลากลงไปเก่งลงเหวทิ้งเล่นๆแต่ละชาติแต่ละภพจะทํำยังไงจะไม่ให้มันไปอย่างนั้นอีก ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละทีนี่พวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไรจึงจะไม่มาเวียนกับวาดตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่นี่แหละอันนี้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายแต่ที่มาพูดถึงความตายความตายนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความว่าไม่ได้สนใจนี่แหละ ถึงจะได้ยินก็ตามแต่ไม่ได้สนใจถึงจะได้ฟังก็ไม่ได้สนใจถึงจะเห็นมาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจนี่แหละจุดนี้นเป็นจุดที่สำคัญจึงมีนิทานรอว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งพระโพธิจักนางกีสาโกตมีท่านอยู่ในสกุลเศรษฐีไปอยู่แต่งงานกับตระกูลเศรษฐีพอนางได้ลูกคนแรกเป็นลูกชาย พอลูกชายกำลังน่ารักแต่ลูกชายก็ตายโดยกระทันหันพอตายไปแล้วนางก็ไม่รู้ว่าลูกชายตัวเองตายเําว่าตายนั่นคืออะไรไม่ได้สนใจอย่างที่วานั่นนะใครจะเกิดใครจะตายใครจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจแต่ที่พอมาเจอตัวเองเข้าก็เห็นตายลูกตายพอลูกตายก็เขาว่าตายนั่นคืออะไรก็ยังปกติหมดทุกอย่างเขาลืมไปว่าลมหายใจเข้าออกมันหมด เพียงแต่ว่าไม่พูดเหมือนนคนนอนหลับทีนี้เขาก็เห็นว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้เอา้ามันเป็นยังไงขย่าวยังไงก็ไม่ร้องห่มไม่ร้องไห้ทายังไงก็มันก็อย่างเก่าพอที่สุดก็อุ้มลูกไปหาถามคนบอกพวกท่านทั้งหลายมียาไหมรักษาลูกของข้าเนี่ยลูกของข้าทําไมเป็นอย่างนี้เขาบอกโอ้ยยายเจ้าบ้าอีนางลูกเจ้าตายพอแรงแล้ว มันจะไปหารักษาได้ยังไงคําว่าตายคํานี้เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไม่รู้อีกว่าตายนั่นคืออะไรก็ยังปกติอยู่เนี่ยแข้งขาตีนมือก็ยังนอนอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เขาก็ไม่รู้ว่าความตายนั่นคือมันหมดลมหายใจเข้าออกแหมมันหมดความรู้สึกทั้งหมดจากนั้นเขาก็พุ่มไปอย่างนั้นถามบ้านนั้นบ้านนี้เพื่อหายาเพื่อหาผู้รักษาเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเพราะเขาเป็นเศรษฐีสามีเป็นเศรษฐีอยู่แล้ว แต่เป็นลูกคนแรกของเข า, าเขาคงจะไม่อายุไม่แก่คงจะเป็นสามีบ่าวสาวออกมาเลยก็ได้ลูกคนแรกนั่นนหะทีนี้ไปเห็นบัณฑิตท่านหนึ่งบัณฑิตคือผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจะเป็นระดับไหนพระโสดาสกทาคานาคาแต่ท่านเป็นโยมท่านเห็นโ อ, โอ้ผู้หญิงเด็กหนุ่มสาวคนนี้ยได้ลูกคงจะเป็นลูกคนหัวปีของเขาเขาไม่รู้ว่าความตายนั้นคืออะไร เอาเถอะเราจะเป็นที่พึ่งของเขาท่านก็แนะนำว่านางยาที่จะรักษาเนี่ยเรามองไม่เห็นใครอื่นที่จะรักษาได้พระพุทธเจ้าท่านคงรู้นะเอ่ที่วัดป่าเชดตะวันให้นางเอาอุ้มลูกเขาไปหาพระพุทธเจ้าเถะนะพระพุทธเจ้าท่านอาจจะแนะนำให้เรื่องหยุกยาที่จะรักษาลูกของเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าหาอย่างนี้เจ้าไปหาเท่าไหร่เจ้าคงหาไม่เจอหรอกหากที่จะรักษาลูกของเจ้า เพราะนั้นเราขอแนะนําให้เจ้าอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าท่านจะให้ยาอรักษาลูกตอนี้คนคิาว่ามันไปที่ไหนเขาก็ด่าเขาก็ดุเขาก็ว่าให้อยู่แล้วที่พอได้ยินคนแนะนําอย่างนั้นท่านนั้นเขาก็ตุ้นตันใจก็ปี๋เลยแต่ท่นี่เ อ, อเหมือนกับติดปีกละมังั้นแ่ละตรงไหนอย่างไรเขาก็เข้าไปหาพระพุทธเจา้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านางมาอะไรนางก็บอกว่านี่ลูกของหม่อมฉันเนี่ย เขาว่าตายแล้วพระพุทธองค์พอจะมียาพอจะรู้หมอยาที่จะรักษาลูกของหมอมฉันได้ไหมพระพุทธองค์ท่านก็จะสอนตรงๆมันก็คงจะไม่เข้าใจท่านก็ต้องสอนเป็นอุบายเพราะท่านเป็นพุทธะเนี่ยท่านเฉลียวฉลาดจะแนะนําสั่งสอนคนอย่างไรจึงจะเข้าใจในเรื่องที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ถ้าว่าพระองค์สั่งสอนเองเขาก็งงก็คงจะถามพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นนะ อันนี้พระไตเจ้าวก็ให้เขาไปดูสิบอกว่านางให้ไปเอาเม็ดผักกาดบ้านหลังไหนก็ได้ถ้าถามเขาว่าพ่อแม่ของเจ้าคนบ้านหลังนี้ไม่เคยตายเลยใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่ไม่เคยตายก็จงเอาเม็ดผักกาดนั้นมาขยําหรือมาทําพิธีเอาให้ลูกเจ้าลูกเจ้าอาจจะฟื้นคืนแต่ถ้าว่าเจ้าไปถาม บ้านหลังใดก็ตามบ้านหลังไหนก็ว่าบ้านหลังนี้คนเคยตายไหมเม็ดผักกาดมีไหมคนบ้านหลังนี้เคยตายไหมถ้าว่าเขาว่าเคยตายพ่อแม่ปู่ย่าตายยายวงศานายาเขาตายแปลว่าเม็ดผักกาดหลังนั้นที่เขาให้มาไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นยาเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปหาเม็ดผักกาดที่บ้านคนไม่ตายจะเป็นยาสําหรับลูกของเจ้าอันนี้เขากับปีไปหาบ้านหลังแรกนลย ถามว่าเนี่ยเบ็ดประกาศเจ้ามีไม่มีเอามาเอามาทำไมเอามาทำยาให้ลูกพอมาถึงแล้วบ้านทังนี้มีคนเคยตายไหมโหไม่ตายยังไงคนที่มันไม่ตายนะ่ะน้อยกว่าคนตายคนตายปยาู่ย่าตายยายวงสาขาญาติก็ตายไปเท่าไหร่อันนี้คนที่ไม่ตายเนะ่ยยังน้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วอา้าจากนั้นไม่เป็นยาไปบ้านหลังอื่นดิไปจนเหน็ดจนเหนื่อยจนเมื่อยจนล้า ไปหลังไหนมีแต่คนตายทั้งหมดจำเนกได้แหละท่นี้โอ้คนเกิดมาในโลกนี้ตายเพราะนั้นเราจะไปหาที่ไหนจะไม่คนตายลูกของเราจะไม่ตายได้อย่างไรอันนี้นางก็พึ่งมาสำเนกไดโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาตายถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้ถามถ่ใครเราก็ไม่รู้ว่าคนเกิดมาแล้วตายแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่าคนเกิดมาในตายไม่ว่าแต่ใครๆทั้งหมดลูกของเราก็ตาย ทุกคนก็ว่าทุกคนต้องตายเพราะนั้นจะประโยชน์อะไรที่จะไปหาเม็ดผักกาดสำหรับลูกของเราเพราะลูกของเขาก็นับวันแข็งทื่อขึ้นเรื่อยๆอมีตะวันจะเน่างี้ผลี่สุดเขาก็เลยไปทิ้งไว้ป่าช้าคือสมัยนั้นคนตายเนี่ยเขาไม่ได้มีพิธีพิธนันหรอกเขาไปโยนเข้าป่าชา้าผีดิบเท่เ า, า, า, น, กาก น, ทนั้นเองแค่นั้นเขาก็ เห็นว่าลูกของเขาหมดสภาพแล้วก็โยนเข้าป่าชาเขามากราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่านางเจ้าได้เม็ดผักกาดได้ยังนางก็เล่าให้ฟังตามที่นางตระเวนหาแล้วบอกว่าคนตายมากกว่าคนเป็นอยู่ถ้าจะไล่เลียงไปแล้วคนตายไปไม่รู้เท่าไหร่ทเท่าไหร่พระพุทธองค์เทศเรื่องมรณะให้ฟังว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ย พญามัจยุราชเตรียมพร้อมไว้แล้วทวงไว้แล้วพร้อมที่จะตายได้ทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ควรจะพิจารณาเอาไว้ไม่ให้มันเกิดอีกชำระใจของตัวเองให้บริสุทธิ์พระพุทธองค์เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญานางก็เห็น อันนี้จังทุกขังอนาตตาอย่างที่นางเห็นแล้วนะจะประโยชน์อะไรด้วยการเป็นอยู่ในคารวะถึงจะอยู่ไปก็ตัวเองก็จะตายอยู่แล้วอย่างที่ได้รู้ได้เห็นทุกคนที่เขาตายมาเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วเราจะไปตายอย่างนั้นอีกเหรอพอได้ยินฟังพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นางก็ขอบวชพระโพธิโองก็ให้บวชส่งไปอยู่กับกลุ่มนางภิกษุณีฝ่ายพระผู้หญิง เมื่อไปบวชแล้วนางก็ไปจุดปฏีบคือ จ, จุดเทียนบูชาจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอจุดเสร็จเรียบร้อยนางก็เห็นเปลวของเทียนมันไม่อยู่นิ่งพอถูกลมพัดจากนั้นมันก็ลงไปลงไปลงไปลงไปพอในสุดมันก็ดับพอนางเห็นอย่างนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความดับ นางก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายของคนเราก็เหมือนกับเทียนเนี่ยไม่แพ้กันในขณะทั้งมีชีวิตอยู่จิตใจก็กระพริบกระพริบกระพริบกระพริบอยู่อย่างนั้นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องสุขบ้างเรื่องทุกข์บ้างหามาใส่ตัวเองใจของเราคิดอย่างนั้นผลในที่สุดก็นะดับหมดไม่มีอะไรเหลือร่างกายของเราเป็นอย่างนี้พอนางเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขัง คือของสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจะเราจะไปกอดอยู่ในทุกข์เราจะไปยึดทุกข์ได้อย่างไรนางก็เห็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตานางก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่จว่านางกีสาโคตมีไม่ใช่แม่ของพระพุทธเจ้านะคือคือแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็ กีสาโคตมีเหมือนกันนางโคตมีเหมือนกันแต่อันนี้นางกีสานางกีสาโคตมีเป็นอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งนะอันนี้ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สดับตรับฟังหลงในความตายไม่รู้เรื่องของความตายไม่ได้ศึกษาความตายไม่ได้ใส่ใจถึงความตายเพราะนั้นผมว่าในไม่ว่ายุคสมัยไหนละ่ะ คนทั้งหลายคงจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเพราะนั้นเวลามรณะภัยเข้ามาถึงแล้วทำตัวไม่ถูกทำใจไม่ถูกาบางทีก็บางคนก็นั่นแหละสับสนวุ่นวายไปหมดโมโหโท่โศไม่รู้จะโกรธให้แก่ใครบางทีก็เสียอกเสียใจจนสลบสลายจนเอายาระงับประสาทไปเลยก็มีาตายแบบไม่มีสติเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาเอาไว้ว่าศีลสมาธิและปัญญาปัญญาคำนี้น่ยสมาธคิคือความตั้งใจมั่นคือทําจิตให้สงบการที่จะทําจิตให้สงบนั้นอย่างที่ผมได้แนะนําสั่งสอนว่าการเดินจงกรมนั้นทำอย่างไรก็ได้แนะนําแล้วแต่พวกท่านทั้งหลาย จะเดินจงกรมมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านการเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโทแต่และก้าวย่าไปเดินช้าให้เดินตามปกติเหมือนเราเดินบิดทบาทอย่างนั้นแต่ไปถึงทนทางจงกรมแล้วก็หันหลังกลับให้มีสติในการเดินพอถึงสุดทางจงกรมทางนี้แล้วก็หมุนกลับไปอีกไปถึงสุดทางจงกรมทางนู้นอีกก็หมุนกลับ การที่จะหมุนกลับให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธให้มีสติในการก้าวเดินแต่ถ้าว่าการภาวนาพุทธโธพุทธโธแล้วมันยังไม่สงบให้พวกเราเคยเป็นนักศึกษาแพทย์คงเคยเรียนร่างโครงของกระดูก ให้นึกตัวในร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกใช่ไหมอยู่ข้างในเราให้นึกว่าเราเป็นโครงกระดูกอยู่ข้างในจากนั้นเราก็กําหนดโครงกระดูกของเราเดินดูสิให้เป็นโครงกระดูกเดินไม่ให้มีเนื้อมีหนังก้าวมีแต่กระดูกอย่างเดียวเอาจิตดูให้ดูกระดูกอย่างเดียวไม่ให้มีเนื้อมีหนังติดขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถให้มีโครงกระดูกแต่ใจให้คิดถึงโครงกระดูก แต่กรรมริกรรมนั้นขาขวาพุทขาซ้ายโถขาขวาพุทธซ้ายโถพุโทโถพุโทโถพุโทโถอันนี้ก็คือวิธีการเดินจงกรมแต่ี้เมื่อเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับขึ้นมากุฏิถ้าว่าเป็นไปได้ให้ภาวนาอย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องกันในขณะที่เดินจงกรมกลับขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระเสรรละก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนจิตเมื่อจิตใจอยู่กับปัจจุบันแล้วกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่อย่าไปเกรงอย่าไป แต่งลมให้เป็นธรรมชาติที่สุดอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นอันนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติเดินจุกรมและนั่งสมาธิเราจะนั่งนานมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้ต้องพยายามให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เป็นชั่วโมงสามชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้อา้าวมันปวดก็ถอยออกมาการที่จะทำเสียงไหนก็ตาม มันมีการฝึกทั้งนั้นแหละออการชกมวยของเขายิ่งทารุณกว่าเรานั่งสมาธิทําไมเขาจึงชกเป็นต่างหลายยกได้การเล่นกีฬาก็เหมือนกันยิ่งทุกกว่าเราอีกแต่ทําไมเขาจึงฝึกได้แต่เรานั่งอยู่แบบสบายๆทําไมแต่เราจึงนั่งไม่ได้เราทําไมไม่ฝึกการฝึกคํานี้แหละคือการอดทนขันติคือความอดทนต้องนํามาใช้ให้มากนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ไม่ต้องคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นอันนี้แหละถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบค็ว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นนั้นออกไปจากจุดนี้หละคือความสงบจิตใจสงบนี่แหละจะมีความสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราเพียงทำเพียงแค่นี้หละในการบวชในครั้งนี้ทำจิตให้สงบได้เพียงครั้งนี้ครั้งเดียว พวกเราจะคุ้มค่าในการบวชครั้งนี้แต่ถ้าว่าพวกเรายังทําจิตให้สงบไม่ได้แปลว่าการบวชก็ยังเหมือนกับเรามาอยู่ป่ามะม่วงไม่ได้ทานรสของมะม่วงอย่างนั้นอ่ะเออมาเพียงแต่แเข้ามาส้นร่มส้นเงาของป่ามะม่วงได้รับความร่มเย็นบ้างแต่บางท่านบางคนพอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สนใจ ไปนอนไปนั่งตากแดดอยู่นู้นเผอๆไปนั่งอยู่ใต้กิ่งมะม่วงแห้งกิ่งมะม่วงหล่นทับหัวอีกอแล้วก็แดดเผาตัวเองอีกอแล้วก็ตำหนิป่ามะม่วงอีกไม่เกิดประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาในป่ามะม่วงมะม่วงมีเป็นลูกดก เ, เป็นลูกสุกนำมาทานเราได้ริมรดมะม่วงรสหวานอร่อย นี่แหละเราจะติดใจเป็นนานเท่านานอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจของเราได้รับความสงบพร่อมเย็นผมว่าสมาธิของพวกเราเนี่แหละจะเกิดประโยชน์นานเท่านานเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านที่มาบวชในครั้งนี้พยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งวันนี้ผมจะขอพูดเรื่องทําจิตให้สงบไว้เพียงเท่านี้ก่อน แต่เรื่องปัญญาที่จะเดินต่อไปนั้นก็คงจะได้พูดกันแต่ตามไม่จริงเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสาคัญเบื้องต้นเราจะมองข้ามไม่ได้บอกว่าเราจะเดินปัญญาเลยได้ไหมก็ได้สมาธิจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าจำเป็นจำเป็นมากไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สุดแท้แต่บุคคลแต่ละคนถ้าว่าเด็กเข้าไปเรียนหนังสือ จำเป็นไหมจะต้องท่อง A B C D สจก่อนแล้วจับเข้าไปสอนเป็นภาษาอังกฤษเลยอย่างนั้นจะเข้าใจหรือว่าดีไหมไม่จำเป็นเลยจะต้องท่องเพราะวันเสียเวลาไปอ่านเป็นคำไปเลยอ่านเป็นคำเป็นคาเป็นคาไปเลยความหมายรู้ความหมายไปด้วยแต่ไม่จำเป็นจะต้องเรียน A B C D จำเป็นไหมอันนี้คำตอบนั่นก็อยู่ในในนั้นเหมือนกัน สมาธิกับปัญญาถ้าว่าเราไม่เรียนกอไก่คอไข่ตึงหอนงกงหกซะก่อนแล้วไปแต่ว่าเรียนวัวควายช้างมา้าหมูหมาเป็ดไก่ไม่ได้เรียนตกกอไก่คอไข่คอขวดค อ, อ, อ, อควายจำเป็นไหมอันนี้คําตอบก็อยู่ในนั่นแหละเรื่องสมาธิกัเรื่องปัญญาเพราะนั้นมันชุดแท้แต่คนที่มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถไอคิวแต่ละคนมากน้อยอยังไงแค่ไหน แต่ถ้าว่าคนไอคิวต่ำการเรียนการศึกษาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องเรียนจดจำกอไก่ขอไข่ขอขวดไปก่อนแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถไอคิวเขาสูงพูดอะไรมันจาได้หมดก็ไม่จาเป็นจะต้องเรียนกอไก่อันนี้ก็เหมือนกันนะการทาปฏิบัติเนี่ยอย่างที่นางกีสาโคตมีอย่างที่ผมพูด เขาก็เห็นไฟเทียนกระพริบกระพริบกระพริบเขาก็เห็นอันหนึ่จังของไม่เทียงจากนั้นก็เห็นไม่เที่ยงริงไหนเป็นเทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นท่านก็พ้นทุกข์ฉลาดกิเลสออกจากหัวใจของท่านทิ้งสลัดออกไปพรั่วเลยรู้แจง้งเห็นจริงหมดเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงท่านหมดกิเลสแล้วชาติหน้าไม่มีอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติถูดท้ายแล้วนี่อันนั้นแปลว่า ถ้าจะว่าไปกับพวกคิปปัญญาแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูตัวเองก็แล้วกันถ้าว่าภาวนาจิตใจยังหาความสงบปูงฟุงซ่านอยู่แสดงว่าบารมีของเรายังไม่ถึงขั้นเขาว่าคิปปัญญารู้ได้เร็วเราก็ต้องฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญากเกิดนั่นแหะจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารเห็น กรรมาฐานหา่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจจากนั้นก็เห็นอสุภะปฏิกูลในร่างกายจากนั้นก็เห็นความเกิดค ว, ความเจ็บความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างไรตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านโอบรมแนะนําสั่งสอนจากนั้นจิตใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคายพยามัจจุราชก็ไม่ไม่หาเราที่จะเข็นไปอีกไม่ได้แล้วบาทนี่ยพอเราไม่นั่งล้อนั่งเกวียนของทหารพยามัจจุราชละ เออพอเรารู้ทันแล้วถ้ามันขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก่ลากไปเตนเราไม่ขึ้นแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วพญามาจุฬานก็หาเราไม่เจอละบาดนลยเออจะหาลากขึ้นมาใส่เกวียนลากไปอีกไม่ได้แล้วเพอเราไม่มานั่งเกวียนเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรตัดกิเลสในจิตในใจของเราออกแล้วชาระใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วที่จะทำให้มันเกิดมีอะไรกิเลสราคะโทสะโมหะ จะทำให้เกิดบัดนี้เรากระเทาะมันออกแล้วไม่มีแล้วใจของเรามีแต่ใจบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะทําให้เกิดไม่มีอีกแล้วเหมือนกับเมล็ดข้าวเรากะเทาะเปลือกออกตามันออกยางมันออกมันมีแต่เมล็ดข้าวสารเนี่ยมันจะเกิดได้ไหมมันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งอํานวยที่จะให้มันเกิดอันนี้ก็เหมือนกัน ใจของท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเหมือนกับเม็ดข้าวสารอย่างนั้นนี่พานังปรามังสุขขังนิพานังปรามังศูนย์ยังศูนย์เชื้อจะทำให้เกิดมันศูนย์หมดแล้วนิพานังปรามังสุ ข, ขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีเชื้อที่จะมารบกวนจิตใจของท่านก็มีแต่ความสุขเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาให้ศึกษานะ ให้ศึกษาให้ฟังตามแนวแถวของพระพุทธเจา้จาจะนั้นก็ไปปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจใจของเราถ้าใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วใจของเราได้อบรมดีแล้วใจของเราระลึกไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้นเราอย่าไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีเราไม่ประมาทในการกระทําของเราเราจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อแก่ไปถึงจุดจบแล้ว ถึงเขาจะโยนลงเหวเราก็ไปเกิดด้วยบุญด้วยกุศลของเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนมีความร่มเย็นเป็นสุขในชาตินี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกหัดทางด้านจิตใจเราคิดไ้อยู่เสมอเมื่อเท่าแกชรามาเราก็ไม่ว้าเหวไม่อ่างว่างไม่เงียบเหงาไม่ซึมเศร้าในิสัยซึมเศร้าจะไม่มีเพราะเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานี่คืออะไร อ่านชีวิตของตัวเองศึกษาชีวิตของตัวเองศึกษาชีวิตของผู้อื่นศึกษาให้รอบด้านการเป็นอยู่ของเราฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาศึกษาให้ศึกษาแนวแถวตามแนวแถวของพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะ